ใจนั้นมีอยู่แล้แลวรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอยนเอียงไปตามกิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอียนเอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดๆหน่อยๆก็เอยงเอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกพัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอ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 คือการกระทําไปด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้วเราอย่านาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลนันดีให้เกิดขึ้นากตัวเราเองแลอย่าตาหนิตนมาาอำนาจวาสนาน้อย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 การบ่นให้ตนเองโดยไม่เจาะแสวงหาเพื่อส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สบูรณ์ขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาสิ่งหาบของซึ่งเป็นด้านวัตถุแต่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้น หากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถะธรรมเริ่มต้นก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่เสียจิตดจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความชื่อความน้อมใส่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเดืของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าศาสนธรรมซึ่งเป็นเครื่องพยุมสัตว์หรืรอคนสัตว์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 หากิเลนมีมากก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนทำํำหยาบย่ําทําลายทํภานาจิตใจการที่ยอมเพนตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามแม้แต่มากได้ผลตามความมุ่งมั่นปาตธนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการตําหนิติเตียนตนว่ามีอํานาจวาสนาน้อยเกิดมาอาภาวาสนาแต่ใครเขารู้ก็ เ, เห็นแต่เราไม่รู้ไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภานาจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆ กับสามมันในน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตําหนิตนีุเฉยแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยทําให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี่ไม่ใช่จะทําให้เรามีความขยันมันเพียงมีแต่จิตใจใจเพื่อบําเพ็ญตนให้มีระดับปัญสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่ําทําลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจี่ซึ่งไม่ใช่ของดีอันเป็นอุบายคนอุบายของชีเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องพร่ำสอนคนให้เราทราบไว้ว่าอุบายเหล่านี้คือเรื่องของที่ไหน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 ก็ต้องปิดแน่ก็ปิดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอำนาจวัฒนาใดๆนี้ซึ่งเป็นสมมุติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วตําหน่ที่ตรงไหนมีทางตําหน่ตนใต้ที่ตรงไหนให้พยายาม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 ขุดเป็นเดือนๆก็ไม่ลาบเราจะขุดให้มันลากเหมือนพี่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นแหละมันสามารถสร้างจำปลวกได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าปวกอืมฟันเราก็หลายซี่กําลังเราก็มากยิ่งกว่าปวกทําไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ ต้องสูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรจะเหนือความเพียรไปไม่พ้นพระพุทธเจา้าจะจัดสรู้ด้วยความเพียรเราทําไมจัดกลายเป็นคนอภัพไปด้วยความเพียรทั้งๆที่ความเพียรมีมากแต่กลายเป็นคนอภัพไปด้วยลำหน่บๆไม่มีถ้าลงได้เพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไปแล้วไม่มีทางอื่นนอกจากจะทําผู้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจ จนกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติธปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุโทโธธรมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยนีนเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านแสดงถึงวิธีกิตที่ดําเนินไปด้วยความจริง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 กระแสธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเพลงที่แม่กล่อมลูกให้หลับสนิทนจัจิตใจของเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแสดง mm hmm. เมื่อสงบได้ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลำห น, ำนำัะและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเขาโดยลำหนำั จงกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาคปฏิบตัตินั่นแลจิตยิ่งมีความดุดดึดดงและทราบซึ่งเป็นลำหนักลำหนักมีเพียงขั้นนี้จิต ก, ก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทำทางภาคปฏิบตัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากย่างไหล สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเช่นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปโดยลำดับ ด, ด้วยแล้วการทางทำท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดยลำดับเคลื่อนเคลื่อเพลิดเพิม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 ชาล้างสิ่งที่สกปรกคือพาณใจิตใจให้มันผ่องใสขึ้นโดยลำดับลาดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิย่งมีความรักความชอบในการฟังจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอทุกวันโดยดโดยซ้ำนอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูจิต ด, ดวงเดียวนั่นแหละ ในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรกไปฟังท่านเทศสแสดท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นใดไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับร้องเพลงให้คลายฟังเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งไม่เคยตำหนติติเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรู้ลัก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 นี่ช่้นโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตำหน่เจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันปตำแหน่ท่านกอบวย ร, รมเข้ามาทับเข้าเอีกทั้งๆ ท, ท, ที่หนักอยู่แล้วั้นฟังท่านไป น, น, นานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจิค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำหนักลำหนักนี่รู้สึกว่าค่อยซึ้ง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 มาจากไหนต้องอาศัยการชาล้างเลยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยจากันมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมีเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลๆๆําดับบแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเลาะกันเถียงกันยังนําเข้ามาเป็นอัดเป็นธรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นน่ะนี่แหจิต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 ที่เรามุ่งประพฤติธปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตนนั้นเลยวาสนามีอยู่กับใจสร้างตรงตรงนี้แหละตรงที่พูดนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสถ้ามีกำลังมากก็ดื้อมากมีกำลังน้อยก็ดื้อน้อยแล้วแต่ มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากเท่าไหร่มันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นแหละเราต่อสู้กรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมาครองภายในจิตใจเรื่องความขายันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่มันคอยทําลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเรามาบําเพ็ญความดี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 เรื่องกิเลสมันสลับทับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญาถึนจะสามารถทราบความดีความชัว่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในกิจของเราดวงเดียบนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่าน ห้ามไม่ให้แข่งอํานาจวาสน า, ากันแม้แต่สัตว์ดิเรกชันถ้าเขาไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว์เพราะการท่องเที่ยวนวัตแต่สงสารเตรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อดมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนดอนครูครับสะดวก บ, บ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชนันก็คืออยู่ในสถานที่รุ่ๆๆนรุ่นดอนดอนลึกครูครับลำบากลําบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิต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 มีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคารมบาก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งนีทั้งชั่วสับปนกันอยู่เมื่อโลกมีทั้งนีทั้งชั่วสับป่นกันอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งนีทั้งชั่วจะไม่ให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักประพืชปฏิบตัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าสิ่งไหนควรแก้สิ่งไหนควรตอดถอนสิ่งไหนควรทำเป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรมะ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 มีหลักด้วยธรรมาใจมีหลักด้วยธรรมใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายนี่คือการสร้างบา ร, รมีสร้างอย่างนี้สติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้กิเลสกิเลสยอมขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้ว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 ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรสนับส น, นุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียวออสารนี้เป็นสารสําคัญมากสารต้นก็อยู่ที่นี่สารอุทธรก็อยู่ที่นี่สารดีกาก็อยู่ที่นี่สารต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นยับยับนี่สู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกสารหนึ่งสติปัญญาหาอุบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะ ขึ้นถึงสารสูงสุดตาดสินกันขาดโดยประการทั้งปวงได้แก่กิเลสอย่างยากแก้ด้วยปัญญาอย่างยากกิเลสอย่งางกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาันแก่กล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงสารใน ก, การเนี่ยตัดสินขาดกันลงสะบัดลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปสารไหนอีกทีนี่อยู่อย่างสบาย นี่โรงศารใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเป็นเครื่องค้าประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่เลานี้ขันห้าเป็นเครื่องค้าประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็นสารสถิตยุติธรรมออยู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยธรรมว่ากันโดยเหตุโดยผลพี่นากันโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อพิเรตตัวใดไม่ต้องตำหนติตีเตียตนตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายพิเรต ให้มันได้ใจและชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสีย อ, อกเสียใจความทุกข์ความลําบากนั่นคือเราแพ้หุดค้นขึ้นมาพิจนนารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วอพิเลศมันมีเหตุมีผลของมันมันถึงเกิดขึ้นมี่เรียกว่าคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กิเลสได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปเฮียกิเลสมันหลอกเราว่า อัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะเนี่ย <ะ S 2> ร่างกายทั้งหมดเนี้หนังก็เป็นเราเ <ะ S 2> นื้อก็เป็นเราก็ดูก็เป็นเราผมขนเล็บอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้งกับตั้งกัน <ะ S 2> แล้วเรายอมแพ้มันตลอดแม้ว่าสารไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆคราวนี้เราเอาสู้สารขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าสารต้นสารอุทธรสารที่กลางก็ว่ากันลงไปตรงไหนอ้าว แต่งทนายขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสำคัญสําคัญผู้ตัดสินจริงๆก็คือภากษาได้แกปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชัดจริงให้เห็นชัดเจนจริงๆไหนคนจริงๆอยู่ที่ไหนอัตภาพร่างกายหรือเป็นเราเราจริงๆเหลือถ้าอัตภาพร่างกายนี่แตกไปเราจะงไม่หมดความหมายไปแล้วเหลือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายน่ะพิจารณากันตรงนี้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 นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเร า, าเห็นชัดเจนนี่แ่ละคือหลักไตรลักษณ์ที่ก้าเข้าสู่ชายสมองระภูมิก็คือพิจารณาเห็นตามความคินที่พระเจ้าทรงตรั ส, สวไว้แล้วนี้โดยถูกต้อ ง, ร, ง, งรูปังอันนี้จังรูปังอนัตตานั่นจังประกาศกลงวันอยู่ทั่วโลกชาติจะพ่อยิ่งยิ่งทั่วสกลนาการของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอันนี้จังทุกขังอนัตตนี้ไม่มีเลย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 ลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเรานั่นคือเรื่องของกิเลสที่พายเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลามอเมืออ น, นัปัญญาแทรกเข้าไปอา น, นิจจังทุกขันาตาท่านว่าที่ไหนถ้าไมว่าในขันห้ารูปัอานิจจังเนี่ยรูปังอนัตตานั่นเวทนานิจาเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจาสังขารอนัตตานั่น วิญญาณอา น, นิจังวิญญาณอนัตตานั่นสัเพ ธ, ธมาอนัตตานั่นฟังสิคำว่าสัเพ ธ, ธม า, าตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางกระบวนการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นพันว่าสัเพธมานตาหรือทำทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในยเป็นอนัตตาทั้งสิน้นไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา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 ถึงขันอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลักเมืองพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาถอะเมืองพอไม่มีเออได้เท่านี้อยากได้ท่านั้นได้ท่านอยากได้ท่านั้นอยา ก, ายากตะพัดตะผื้เหมือนกับไฟได้เชือ้ออเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟาดลงไปทีไฟจ ะ, จะแสดงเปลวขึ้นมาท่วงเมฆเงาเงาไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชือ้อฮิเลตไม่ได้ดับเพราะความ ทำตามความอยากเนี่ยได้เท่าไรก็นี่แล้วไม่พออยากนั้นอยากนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นชื่อว่าพิเรนแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้สิ้นชีวิตแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนนี่ก็พอนะความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบพวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายหรอือหีวหลับพี่นอนสบายหรอือนั่น ความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนท่า น, นแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างจิตให้พอตัวขึ้นชื่ อ, อชื่อว่าเมืองพอพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิตเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัวว า, วาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราอเอาละการแสดงทำนี้เราสมควรพักเหนึ่อ